อิมเดียร์ชะ เจาฝนก็พิจานณาถาเยี่ยมพยายามตามเรื่องของท่านะาเรเ า, า, เ า, าจะเห็นได้อย่างสมัยา่าโปรดยาสาคุ ร, ระบุตรลากฏตามตา น, นานหลาพระพระุทธองค์ในคืนวันนั้นเตียงจะสว่างยาสาคุ ร, ระบุตรเบือ น, น่ายในคารวะว่า ส่นทุกข์แต่สมัยนั้นยังไม่มีเรื่องของศาสนาไปถึงเรื่องของญาติศัตรู ย, ยืนอยู่พระพุทธเจ้าท่าเครื่องจะสว่างท่านเดินทงกข์ทั้งทั้ปจิตต์จะรู้ได้แล้วในใจท่านทําเพื่อละเพื่อบำเพ็ญทำเป็นวิหารและทำเครื่องอยู่ของท่าน เด็สาวที่บุตรผ่านไปเดินไปทีมีวุ่นวายเนาะที่มีขัดค้องเนาะที่มีวุ่นวายเนาะที่มีขัดค้องเนาะเดินเรื่อยไปเพื่อจะหาทางสิไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายพระองค์เดินลงเตอยู่เพราะดูยินเสียงอย่างนั้นคนทราบในมพระไทยดีแต่เสียงนี้เป็นเสียงมนุ เฉยๆเป็นเฉยยศัตดิ์ะบุตรพรองตัดต่อว่าสิ่นี้ตัขวางสิ่นม่ร่วบ้าเชื่อมธรรมะสินี้นี่เรืองของธรรมะถึงปุ่มหมดจีเลตปัญหาต้อง่ปยังธรรมเพื่อนจริหารธรรมทั้งพันเรื่องพวกเรายังมีจีเลตปัญหาอยู่ในใจเป็นของจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติพิจารมาเพื่อร ตสือถอนคุยจรณาเสื้อบำเพ็ญ <c oughs> ให้ถึงจุดหมายปายทางการบำเพ็ญธรรมะการพุจาจรณาธรรมะก็ไม่มีไปจากสติปัญญาเรื่องสติปัญญาเป็นสังละเลขาธรรมคือเป็นเรื่องขัดเาลื่ลนปัญหาออกจากกายราจาใจทั้งตน ธรรมะจึงเป็นของทุกคนที่จะต่องสแสวงหาจุดมุ่งหวังในความสุขความจเจริญของใจเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะทำ จ, จิตทำใจให้รู้เห็นตามเป็นจริงได้ทำจิตทำใจให้สบายสงบเงย่สงบไม่มีทางที่จะไปสะสาง จิตใจให้สว่างไสวให้จิตใจเบิบานลาถอนชีเลอย่างโลกก็คือเรื่องวัตถุวัตถุเข่าของเงินทองตลอดถึงการมาเร้นต่างๆเป็นเรื่องของเด็กที่ลืมหลงไม่รู้เท่าเข้าใจว่าความถูกอันจริงจังอยู่ที่ไหนก็เลยลืมหลงไป ไป ต, ติดในอารมณ์ต้อมยาต่างๆว่าอันนั้นจะสุขอันนี้นจะสุขก็สุกเฉพาะก็หลงสุกเฉพาะ ค, อคอือใจชอบสุขนั้นเมื่อเราไม่มชอบไม่จิดใจก็าหายไปกลับเป็นที่เป็นภัยแก่ตัวอีกรอเรงของโลกเรื่องของอารมณ์ หอาหนอกเป็นอย่างนั้นทุกท่านก็เคยยินที่จะไดมาเส้นเสียงร่องรำทำเพลงต่างๆในสมัยที่เราเคยอุ่กจิตจิกใจอะไรมีอยู่ที่ไหนก็ชอบอยากจะไปฟังยินดีใจถึงจะเพก่อยากลาบากห่างไกลตู่ตาไป พอใจชอบใจติดเหนื่อยง่องหงานอนเหนื่อเหนื่อยเหนื่อยหูตื่นตาพอใจชอบใจยินดีนี่คือพื้นฐานของจิตถึอยังไว่มีธรรมะเกิดแสงเป็นไปแบบนั้นจะเป็นเด็กก่ตามผู้ใหญ่ก็ตามผู้เฒ่าก็ตาม หายหังไม่เดือดร้อราานสาสางเรื่องของจิตใจจะต้องยินดีจิตคล่องในรูปเสียงกลิ่นรสเลื่อนผ่านเรือไปเพอใจยังไมีจูตเกาะจี่อาศัยแต่ใจมีจิตเกาะที่อาศัยมีธรรมะภายในเสียงที่เราเคยชอบจิตจิตคล่องพอเสียงเอเือกเลวกเฮหาเสียงต่างๆนานาเกิดขึ้น เราจะไม่ยินดีไม่พอใจสื่อธรรมชาติที่สงบสงัดไม่ได้รูปกเหมือนกันไม่ว่ารูปอะไรที่เราเคยครอบจิตเก่าก่อนไม่ว่ารูปมนุษรูปวัตถุธรรมนัมมานเห็นด้วยกับเขาใจของเราที่ไม่เคยปฏิบัติ ก็ชอบได้ามาหนาถ้าเราจะยินดีพอใจแต่การยินยึดีพอใจนั้นในเด็กใส่ชิดที่จะเรียนนาวิรณนั้นมันจะแปรปรวนและจากเอาไปหรือเราจะจากมันไปเ่วนนั้นคนที่มีใจไม่มีอจัจมีธรรมในตัวมีอะไรขึ้นก็เป็นชิดเป็นภัยแก่ตัวเองแผลเขาตัวเองทำให้ใจทั้งตัวร้อน นำใจใจทั้งตัวกลางรวนคือคนที่ในนี้อาจมีทําเมื่อจิตใจเป็นอาจเป็นธรรมูปก็ดีเสียงก็ดีมันมีอยู่ในโลกแทนที่ จ, จิตของเหมือคนธรรมดาจิตของพาดีเจ้าท่านในจุดอย่างนั้นเห็นก็สักต่ว่าเห็นได้ยินก็สักต่ว่าได้ยินมันมีการยินดู บจิตในสิ่งเหล่ น, นั้นนี่คือจิตค็กพิจารณาเรื่องเหล่า น, นั้นตามเป็นจรงผ่านมาแล้วโดยอัตถิการพิจารณาดวงตนกัพิจารณาตามเื่องของตนพิจารณาตนของตนเท่นั้นมันถูกไปหมดเพราะรูปไปอยนนี้เสียงปยนนี้กลิ่นรสสัมผัสอยู่ในนี้คนที่ลืมหลงไปะิตคล่งองเท า, านอก เจอคนหนุ่มีธรรมะโอปนะยุโกน้อมดูตัวของตัวเองเพราะรูปคือเราจะจิดจิตเป็นว่าสวยสงงดงามอยากได้มาเป็นสมบัติของเรานั้นเจอคนใหญ่เป็รูปตรนกันข้ามคือชายก็อยากได้รูปหญิงคือหญิงก็อยากได้รูปชายคนรูปวัตถุอัอื่น เป็นบริวารของรูปอันนี้รูปคือเราหลงว่ามันสวยมันงานอย่างนั้นอย่างนี้รูปของเราก็ดีรูปของเขาก็ดีเ ร, เราดูพิจาราตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนจิตใจจึงหลเหลงจิดคล้องเิดเินความจงี่ยรูที่ตั้งอยู่ไม่มีอะไรน่าดูหน้าเลี่ยมใสไม่มีอะไรสวยงาม หากพิจารณาเข้าถึงแก่นของรูปจริงๆตอนนี้อะไรที่จะหน้าสงสัยพิจารณาตัวของตัวเพื่านั้นรูปทั่วไปในโลกจะเป็นรูปที่มีวิญญาณหรือหาวิญญาณไม่ได้มันก็รูป อ, อันเดียวกันมันมีการตั้งขึ้นแล้วแตกพัวนแตกสลายเป็นสภาพเดียวกันหมด ทั้งโลกจึงมมีทางจะสงสัยพูดถึงด้านกรมมฐานอริภธาตอริยภพเรารูปคือมียินดานคลองอยู่ตยิ่งเป็นรูปคือโกระโกมาก่ารูปที่มนมียินดานคองจนมนุษย์ตัดเร่เหล่านี้จนรูปคือโกะโกมากแต่เราเร่าดูี่จนะหลงเชื้หนัง ทางนอกซึ่งเขาประดับประดาตกแต่งต่างๆถ้าหากถาลกหนังออกไปรูปมือ น, นั้นไม่มีความหมายอะไรแทนที่จะรักใครชอบใจควหนักกับตัวกลาเป็นอะไรต่ออะไรไปอีกไม่ใช่แตกตัวเบียดอีกวองวังดูคนที่มีเสอ ตามตาตามแข่งตามขาหรือตามมือตามเท้าแผลมากๆมันเลี้ยงไหลเยิมดิทุกเวลาเวลาเขามาจับภาชนะอาหารหรือน้ำดื่มเราจะไม่พอใจเพราเห็นสิ่งภายในจากหนังเข้าไปมันเป็นอย่างไรมันไหลออกมา พารับใช้พิจารณาเตือนใจพิจารณาหลงไหลถ้าพิจารณาภายในจริงจังคนที่มีจิตใจรูเห็นอย่างนั้นท่านจึงมาเตือนเต้นมาหลงไหลไปสถานที่ใดรูปจะสักจะรูกที่พอดูกันได้พอนั่งเหลืกันได้ก็พ่ออาใส่ปานชละตะสางอยู่ทุกระยะเวลา ไม่อาบน้ำเพียงในกี่วันกลิ่นเตล่ามันก็เหม็นขุ่นขึ้นในมีอะไรที่จะหอมในเตอนอนนเนเล่มนุษย์จงจะลมออกจากปากจะตืดเท่านั้นถ้าหาวต้งร่างสาวสมนุษย์กลิ่นกิ่นในดีในใจกินที่เปรียขายได้เป็นกลิ่นที่ใ น, นชอบในบุคคลทั่วไป แต่เราไม่ได้พูดนม่น่ะเปลือกมันจึงมีกลิ่นเน่ากิ๋เหม็นอย่างนั้นกเพราะภายในของมันเป็นของเน่าของเหม็นเปลือกใดมันจึงเน่าจึงเหม็นของเสี่เรารับทานลงไปฉันลงไปทุกวันเป็นของเน่าของเหม็นท้งนั้นทิ้งเอาไว้กางคืนกลางวันหากในอื่นหรือในเก็บไว้ในที่เย็นเจียงคอของนั้นจะเน่าจะเซ็งกลื่นพอพอมาถึงตัวือของเราตัวือกของเราจนจน ของเน่าไม่ใใจช่ของหยุดของดีอะไรเนื้อก็เน่านนหนังก็เน่ามี่แต่ของเน่าของเหมนแต่ที่เราเห็นติบข้องใจใก็เป็นเหตุที่เรณาภายในว่าอะไรวะส่วนนี้มันมีความสวยงามที่ไหนอะไรที่หอมเหวนชวนดมอะไรที่มันคงท้าวร อ, อะไรที่เจ็บสึก พอขาดธรรมะภายในข้าใจหนูเห็นจริงห่อใจเหลงมันก็หลงเหลือยไปธรรมะจึงเป็นเครื่องชำละใจใจที่ไปรู้ไปเห็นเขาใจชัดจกิในเรื่องต่างๆจึงมมนมีการติดข้องมันมีการเต่าหมองมันมีการเปิดเผยข่อใจตามเป็นจริงสบงบสงด การที่จะเป็นเดือดให้เกิดราคาปัญหาเกิดสลดตั้งเวทในจิตในใจจิดเขาหลืมเขาหลงเขาเกิดเขาเคลิ้นต่างๆนาน า, นามันตรงกันข้ามอย่างนั้นดังนั้นการอบรมจิตใจจึงเป็นเรื่องสําคัญจะทําให้พวกเราท่านได้รับความสุขความสบายเพราะการหน่วยหองอยหน่หหนหหนวยหงอยในจิตในขวั้งรู้ตัว้พ่งตัวอย่างไรทั่วโลก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 ใน่เพิดเพินไมเลืมเหลงพอเห็นตามเป็นจริงในสิ่งเหล่า น, นั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นความสะดวกสบายภายในจิตสะดวกสบายนะมากเพราะไม่เห่ไม่ยากในสิ่งต่างๆจะว่าสงบตลอดการก็ะทุกจิตของผันใน ม, มีการหลั่งไหเอวเอียงไปตามเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส พอเข้าใจเรืการที่เจอนาะตัวของตัวเท่านั้นเลยรู้ไปทั่วทั้งโลกมีการที่เจอนาะจําเป็นที่เราทุกท่านจะควรฝึกระวรจิตใจทองตนเพราะความลืมหลงทําให้เราได้รับทุกเ่าสงอยเข้าใจเช่ออย่างเห็นจริจงเช่ออย่างใจจะต้องปล่อยวางละถอน พอเราําคัญว่าสิ่งนั้นเป็น ข, ของดีของดีพราะคี่คายพิจารณาดูจริงจังมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรผิดจะติดใจอยากได้เหมือ น, นกันกับเขาเอากบบาดะหรือใบต อ, อ, องห่อของเน่าเขาเหม็นเข้าใจว่าเป็นหอของดีมีคุณค่าไปเห็นก็อยากจะจับอยากจะดู ไปเปิดดูจริงจังของนั้นเป็นของสกปรกของนั้นเป็นของที่หาคุณค่าไม่ได้ของนั้นเป็นของขี้หนาเปียดเราจะต้องเดินขึ้งในจิตใจถึงทางนอกมันจะสวยงามขนาดไหนแต่ทางในมันเป็นอย่างนั้นมีคือการที่เจรณาถาตุันพิจารณาตัวเองเพราะถูกยันทุกเวลามันจะออกมาให้เห็นอยู่แล้ว เมวาจะออกทางตาทางจมูกออกทางหูทางปากออกทางทาวารหนักทาวารเบาหรือออกตามคุค้นขุ้นมันจะได้ลงบอออยู่แล้วว่าเป็นข้งเน่าข้งเนื้นเพราะอยู่คุณข่าวสารประโยชน์ขายไม่ได้ทำไมเป็นงินงายจุบข้อเผยเิมควรจะ สลดต้องเวทใจที่เราเลีงเล้งไหลจิดข้องในสิ่งที่สุกตกวัสวย ง, งามสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขสิ่งที่ในเที่ยงละาเที่ยงในความสําคัญมั่นหมายต้อ ง, ง, งจิตใจโดยทั่วไปที่นในเพิฌานายอย่าตดข้องอย่าเห็นของเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะธรรมะนม่มีในตัวเมื่อมีธรรมะในตัว เรื่องเหล่านี้ถึงจะมีอยู่ตอนไหนแต่อะไรมาหรือจะมีไปทางหน้าแล้วก็เมีทางสงสัยเพราะใจมันรู้เท่าเข้าถึงเรื่องจริงเหล น, นั้นตามต้นจริงจะไปเพลิเพลินล่มหลงอะไรใจอย่างเดียวเ่านั้นเป็นเรื่องสําคัญโลกโอดหลงก็งคือเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องอื่นสีนสมาธิปัญญาก็คือเรื่องของใจ เรงใจเป็นเรื่องสําคัญมากหาใจเหลงกายจะพลอยียงไปด้วยเพราะกายเป็นผู้รับใช้เรื่องของใจเฉินกัมมัดยืนดีในราคาจัญหาต่างๆมันเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะจะทดสอบดูก็ได้เอาคนตายถึงเคยเป็นนักเรียนการต่างๆ ไปทิ้งพิอมกันไว้มันจะมีอะไรชอบกันทําอะไรกันอีกไหมมีเป็นหนาที่ของมันจะเน่าจะเหมุนเป็นไปตามเรื่องทั้งหญิงทัางชายที่เขาสอบลากรัมจะเก่าก่อนเคยเปลิมฉลอกันมาเก่าก่อนเคยเจอกันในเรื่องของการมาลาค่าต่างๆมาจะเก่าก่อนมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นทางในใจ เป็นคืออยู่ในล่างแล้วกายมมไม่มีความหมายอะไรเรื่องของใจต่างหากม่เรื่องใจเรื่องของกายคือใจจะมดมันไหมายคือใจกาหนับยินดีเรื่องเรานั้นคือเรื่องของใจไม่มีความหมายอะไรหาคือเยมาถึาางแก่นของทำแล้วมมไม่มีความหมายเรื่องของกามันทำหน้าที่ของมัน เกิดมาก่อนแล้วพัวและวแตกสลายมันเป็นอยู่อย่างไปเจอไหนเจออะไรเรายังไม่พิจารามันก็เป็นอยู่อย่างเราพเจาราเห็นว่ามันจะ็นยุติทางไหนมันก็เป็นอยู่อย่างแต่เราไม่หลงมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทรมานใจเรื่องใจหลงคือเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกท่านควรจะแกะไขถต่ปล่อยมันหลงเรื่อยไปมันก็หลงไม่มีทาง จะสั่งจะเบาไปได้เพราะม่นมีธรรมะเป็นเครื่องรักษาจิตใจเพราไม่นเห็นเดียดภายในของตนเกิดนั้นคนจิตเจอะอายุวังมากแต่ยังหลงเพ่ิดเพินมีหนังมีจิตเจอที่ไหนเอ้าไปดูไปชมกันพะความหลงในรูปในเสียงต่างๆเราจะดูเรื่องของเราไม่ดูดูแต่เรื่องภายนอก เนี่ยเสงออกนอกมันก็ไม่มีวันที่จะอิ่มน้ำตํารานได้ถ้าหากเป็นอาหารจะมีมากขนาดไหนในเวลาทานก็้าไปในปากในท่องท้องตังตวเสงนี้เสง น, สงนี้มันก็ไม่มีเวลาอิ่นถ้านึ่งข้าห่มเหมือนกันอยากให้มันอบอุอ่นต้องเอาหนึ่งผ้าห่มมาปิดปิดกายทัองตัวถ้าโสมไปทางนอกแม่เอาเขา้ามาภายในมันก็ไม่มีอะไรที่จะอบอุอ่นได้นจะจ ะ, จะเย็นจะหนาวเรื่อยไป อย่างคำนะคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวเนื้อกันทำไม่ได้สอนไปที่อื่นสอนที่กายที่จิตของเราดัง น, นั้นทุกคนฝึกเปนนักปฏิบัติจึงควรพิจารณาเหตุผลน้อมทเข้ามาสอนตนอยู่สม่ำเสมอจยุดใจที่ถูกฝึกอบรมจยุดใจจะสงบจยุดใจจะเมาจิตดใจจะสบายจิตเป็นของตนได้ ต้จงวาจิตตั้งคันตั้งสุขาวันหังจิตที่ฝึกดูแลนำสุกมาให้เราจะฝึกอย่างไรก็ฝึกด้วยสติฝึกด้วยปัญญาที่นิพพยาอยูเรื่อยไปอย่าปลยให้ไปลอยไปตามยื่ดปัญ ห, หาตามปัญญาอารมณ์กำหนดสังอนเล่าวังเอาไว้สิงใดที่จะเป็นทิพยเป็นภัยแก่ตัวหักห้าม อย่าไปติดตามหลงไหลจึงได้ที่จะ ท, ทาจิตทําใจให้ปลองใสทําจิตทำ 10, ทใจให้สโลตต้องเลืเป็นเหตุไปให้จิตถอดถอนจากยี่เหลี่ยมัญหาพิจารณาเรื่อยเข้าไปถึงใจจะไม่อชอบใจจะไม่ ย, ยินดีก็มันที่นี้พิจารณาบังคับบัญชาให้อยู่ในกรอบต้องทำคนที่ต่างหน้าต่างตา มาเจรนาอย่างนั้นมีสติประจาผาดขันประจาตัวมีปัญญาแน่สอนสิ่งที่ชั่อให้เห้นเทอดควรละควรปล่อยวางอย่างไรก็พยายามละไปถึงละยังไม่ได้กต่สิช่อเหตุชี้ผลของมันมามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นชอบจึงหรือพอใจจึงหรือบาวู คือเราชอบเราปิดมันดีมันเด่นกินได้ไหมน้ำมูกมน้ลายคือมันตกออกไปกินได้ไหมน้ำมูกขูดอยู่มั้นถ่ายออกถ้าชอบทําไมกินไม่ได้เลืเดอดคือมันือดย่อยออกน้องคือมันไหลออกจากบาดจากแผลจากสีเป็นต้องอยู่ท่องดีต้อ ง, งควรจะรักหรือเราน้องก็ดีเลือด ก, ก็ดี เน no right right? like, ื้อคูดก็ดีน้ำเหลืองก็ดูมันไหลออกมาจากที่ไหนถ้ามันไม่ไหลออกมาจากกายก็กายจนก้องของเน่าของเหม่นเปลือยใดจนไปจิตใจชอบใจยินดีอย่างนั้นพยายามสอนมันเพื่อให้ใจมันเห็นมันรู้ตามความเป็นจริงใจจะเดื่อจะนาย ใจจะต่อจะวางไนดะ้การพิจรารณากายเป็นเรื่องการบรรเทาราคะถ้าพิจารณาถูกทางถ้าพิจรารณาผิดทางส่งเสริมหงหงิดไปตามเรื่องราคาตัญหาก็กําหนับยินดีไปได้ท่านช้กิลิยานั้นมันผ่านไปหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีไม่มีอยู่ในวัฏวนาในกติฤหัหาร่งตัวแต่ไปเจ็บ เอาสัญญาเริ่จิตเคยรู้เคยเห็นจิตเคยผ่านมาในาอดีตมาในจิตจิตก็เกิดกำ น, นังจิตก็เกิดก ค, ความยินดีสึ่งสุ่บ่าบอไปว่าจิตโดยจิตเป็ น, ะนาทางชั่วมันยังเหล่ได้ยังเพื่อเพลินได้ออได ท, ทั้งที่ขม้นมีวัตถุนั้นนั้นอยู่กับเราต่อมัก็ยองใจได้เมื่อไม่เป็นอย่างนั้นการพิ่เจรณาธรรมะภายใน ที่จะแก้ไขจิตใจก็ทำงานเดียวกันถึงธรรมะนั้นยังไม่เสด็ไม่เช่นแต่เรากับพิยนาบ่อยๆเข้าใจของเราก็มีทางที่จะสงบระงับเป็นทางบันเทให้ยใจเบาใจสบายตัวของตัวเองขธาดเป็นพระเป็นมือเป็นคนมีอาธมีธรรมหรืจิตยังหน่รวมสงบเป็นหนึ่ง หรยังไม่สอดสอนกิเลสให้หมดไปจากใจก็ไม่ไม่ตั้มมีตัวเพราะทุกยามทุกเวลาทุกระยะเราเด็เจราทําดู่แ่ใจเราต่อยจิตจิตตามเอวอนอกเราเองจะมีใจถึงยังไม่ได้จะมีใจยังไม่ถึงจะมีใจพราได้จะทา ใจของเราหมดเดือดไปทั้งคนกับเอารมณ์ภายนอกกับเรื่องทั้งโลกในทางที่จนมาทางสอนตนจิตมันฝึกได้เรียมได้ในเหลือยิ่ไปถ้าจะตั้งใจกำหนดทำกันจริงจังเขาพูดไพ่เจาก็ดีพาเรียเสงก็ดีทำเครืเป็นปุถุชนจนหนามาเหมือนกัน ทำ pair, ทำไมทำได้ถ้ามีอะไรติดแปลกต่างกับพวกเราถ้าสี่พันหาเดียวกันหนึ่งเฉลี่ยหรือทํามีเขามีหางจ่าเท่านั je je ้นเราจะเหมือนกันมีกบครวิบูลเรื่เรื่องถ้าทั้งสี่ถ้าจิตปัญญาตัวนี้ถ้าจะทําให้มีถ้าจะไม่ทําให้มีมันก็ไม่มีเพอปล่อยมันไป ไหลาตามอารมณในศาบต่อมันอยู่กับอะไรไปกับอะไรช่างจื่อเปลเป็นชาเป็นเมนเป็นนักปฏิบัติเ <c oughs> มื่อมีรักษาตัวของตัวใครเล่าเขาจะมารักษาให้เราจะต้องตั้งใจ <c oughs> บาดแรงตัวของเราเมื่อยังไม่เข้าถึงความสงบสันั์ความอัศจรรย์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 ไม่เห็นบายยากไมเห็นบายลําบากเพเหตุใดเพรามันเต็มใจมันพอใจมันอยากจะทําขาดกางกระทาขาดการมั่เพลินเป็นอันเสียใจเป็นทุกข์ตั้หนี้ตัวคนมีธรรมะเป็นอย่างนั้นจะ เ, นเพ่ิเพลิเมัวเมาการงานอันอื่นมากกว่าการกระทำ ม, มัน่นเพลินกันสำลักกายไปทพื่ตนไม่มี มีแต่ตังต้งน้าตั้งตาตัง้ง า, าสาสางเลื่อยไป ต, ตลอพื่อผี้มีใจบริสุทธิ์จะอีกเหมือนกันท่านที่ท่านจะลอยทิ้งไปทุกสิ่งทุกอย่างว่าใจของเราบริสุทธิ์แล้วอยากจะทาอะไรจะทาไปไม่เป็นอย่างนั้นดูพระพุทธเจ้าหัืาเรยจะ่าวถือไปในอนุสุท ธ, ธะดูเองไหนที่ท่านทชั่วทำเสียเมื่อท่านสำเร็จเป็นอรหันต์อรหรันต์ ท่านทางจิตใจของท่านในควางในทางชั่วทางดีแต่ทต่านก็ไม่เคยทํานอกคอาเขียรตของท่านนี้ไหนไปไ่านึม่มั่นรักษาปัจจุบันหรือวิหารธรรมของท่านอยู่ตลอดยันปริมิภานไม่เคยเห็นได้ต่อสร้างอันนั้นได้ต่อสร้างอันนี้ไป ปุกเศษนั้นแลจุกเศษนี้จุกเศษใจเพ้งทันเท่านั้นใจเพ้งทังนแต่เศษดีเศษแล้ว